มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจกิจาการที่เขาดูแลก็ใหญ่โตพอสมควรเขาเราว่าก่อนหน้านี้นเขามีความทุกข์นะมีความเครียดนะไม่ใช่เกี่ยวกับธุรกิจนะแต่เกี่ยวกับลูกชายเขาก็พยายามเคี่ยวเข็นลูกชายเพราะลูกชายก็ไม่ค่อยมีระเบียบเรื่องการประพฤติตัว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 และที่เขาแปลกใจคือว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกก็กลับมาดีขึ้นลูกเนี่ยฟังเขามากขึ้นนะแต่ก่อนพูดเท่าไหร่ไม่ฟังนะแต่พอหยุดเคียวเข็นลูกนะเจอลูกก็โอภาปใาสไาต่ถามแต่ว่าก็ไม่บน่นไม่ว่าไม่ดุไม่ด่ไดาไม่เคี่ยวเข็นลูกนี่กลับฟังเขามากขึ้นแล้วก็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 ไปอบรมในงานหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เล่าใฟังเขาก็อายุประมาณสักสี่สิบห้าสิบแล้วเขาก็พูดไ้ดีนะว่าเขาเวลาเขาเลี้ยงลูกเนี่ยเขาถือว่าลูกเนี่ยนะเป็นเสมือนแขกที่มาพักในบ้านนตั้งแต่เล็กเลยนะเขาเลี้ยงลูกก็ถือว่าลูกเนี่ยเป็นแขกที่มาพักในบ้านเวลาแขกมาพักในบ้านนี่เราไม่เคยบอกแขกเลยนะอ้าวได้เวลากินข้าวแล้วอ้าวได้เวลาอาบน้ําแล้ว ได้เวลานอนแล้วเราไม่เคยพูดกับแขกอย่างนั้นฉันไดนะเขาก็ทำอย่างนั้นกับลูกนะก็คือให้ให้ให้ลูกนี้เขาตัดสินใจโดยตัวเขาเองก็ทำาย่ามาตั้งแต่ลูกเล็กนะจนกระทั่งวัยรุ่นจนกระทั่งโตตนะนี้ลูกอายุยี่สบกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกับลูกแล้วลูกก็เป็นก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับพ่อนะก็เป็นเด็กดีเป็นคนดีนะนะช่วยตัวเองได้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 นะเอือเฟื้อนะ่ะอันนี้เรีย ก, กว่าเป็นการทํากิจปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทํากิตนะปล่อยวางหมายถึงการทําจิตส่วนการทำํำจิตก็ยังต้องทำต่อไปนะร่างกายนี้เจ็บป่วยนะเราก็ไม่บน่นไม่โวยวายนะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างแต่ว่าก็ต้องรักษานะเป็นมะเร็งนะกลุ่มบอกกุ้มใจไปก็มีแต่ทุกข์นะ่ะเราก็ต้องปล่อยต้องวางบาง้่ง นะอย่ามาเป็นอารมณ์ให้กลากลุ้มใจแต่ว่าไอเรื่องการรักษาก็ต้องทอําไปเยียวยาบรรเทาโรภาคภัยไข้เจ็บก็ต้องทําไป น, นี่เรียกเป็นการทํากิจหรือการทําหน้าที่ต่อร่างกายแต่ใจนั้นวางนะคือคือไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราหรือไม่เอาเอาโรภาคภัยไข้เจ็บมาเป็นกังวลนะบางทีเราไม่ได้ยึดแค่ร่างกายนี้ว่าเป็นของเราไปยึดเอาความเจ็บความป่วยนะให้มันมา